พื่พากันตั้งใจสํารวงใจของตนให้นแน่วแน่การฝึกตนได้เชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนเราเกิดมาในโลกนี้เพราะว่าเราไม่ไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์มาแต่กำเนิดต่างคนต่างก็ มีกิเลสตัณหานั้นเป็นพาหานะท่องเที่ยวไปในสงสารนี่ที่ล่วงแล้วมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบแ ล, แล้วกิเลสตัณหามันมีมายาสาไถมากมายบางทีมันก็ทำให้มีความสุขความสบาย มันเป็นเหยื่อล่อลให้คนเราติดอยู่ในโลกนี่เมื่อได้รับความสุขสบายแม้จะเป็นชั่วคราวก็ดีอกดีใจก็ไม่อยากหนีไปไหนแล้ว อ, อย่างนี้แหละกิเลสตัณหามันไม่ใช่ว่าจะไปอำนวยผลให้แต่ความทุกข์อย่างเดียวบางอย่างมันก็ให้มีความสุขสบาย คนเราก็มาลืมตัวตรงนี้แหละลืมตัวตรงกิเลสเป็นแสดงมายาทำให้ได้รับความสุขความสบายไปเป็นคลั่งเป็นคลาวไปอย่างนี้ไอ้ความสุขสบายความสนุกของคนผู้ที่อยู่ภายใต้อานาจของกิเลสนั่น มันก็เป็นความสุขที่เกี่ยวกับการที่บุคคลจัดขึ้นทำขึ้นตกแต่งขึ้นเช่นอย่างสถานที่เต้นลัมคาโปรภาพภาพยนต์นกลไกต่างๆาการละเล่นต่างๆการแข่งขันอะไรต่ออะไรกันมูลนิ่ะ ทำให้คนนึกว่าโลกนี้มันก็น่าอยู่อยู่มันสนุกสนานดีมีการพนันขันต่ออะไรกันกินเลี้ยงกันสนุกสนานไปอย่างนี้ก็ถือว่ามีความสุขกันแล้วผู้ที่พอใจในความสุขเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่ได้หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนา ไม่ได้ปรารถนาที่จะฝึกตนไม่เห็นโทษของกิเลสตัณห า, าให้เข้าใจดังนั้นถนะึงว่ากิเลสตัณหานี่มันมีมายาสาไถามากมายทำให้คนเราหลงติดอยู่ในความสุขทั่วคราวและวันนี้ไปมันก็เอาทุกมาให้วันนะี้ก็ลองสังเกตดู คนเราเวลายังหนุ่มแน่นเต้นสามศอกออกําว่ากินได้นอนหลับสบายดีจะไปเข้าสังคมไหนเขากดกินดีต้อนรับขับสู้แต่แถมก็ยังมีเงินมีทองอีกด้วยมีเกียรติมียศเข้าไปเช่นนี้ยิ่งได้รับความต้อนรับจากสังคมมากมาย แล้วก็ชื่นชื่นอกชื่นใจเมื่อมีผู้ยกยอถ่อภายมากมายอย่างนั้นน่ะที น, นี้ขั้นอยู่ต่อมานี่อ้าวทรัพย์สมบัติได้ก็ลอยหลอลงไปเกียรติยศชื่อเสียงอันใดก็ขาดควะคนนิยมนับถือลงไปแล้วสุขภาพของร่างกายก็ไม่ปกติมีโรคภัยเบียดเบียนเข้าไป ออย่างนี้แล้วมันก็มีแต่ทางเสื่อมเลยวันีอมีแต่ความทุกข์โทมนัดครับแค้นเมื่อมานึกถึงเบื้องหลังที่เวลายังหนุ่มแน่นรู้สึกว่ากระซุ่มกาซวยกระปรี้กรเปาดีทันเวลาอายุมากเข้ามาแล้วอันใดก็เสื่อมโซมลงไปตาก็มัวหูก็อือหอ ฟันก็โยกครอน <c oughs> เนื้อหนังมังสาอะไรก็หิวยาน <ph ot m> ผมก็งอก <ph ot m> ฟันก็หลุดไป <c oughs> กำลังวังชาก็ไม่ดีเหมือนเดิม <l up> ลุกก็ยากนั่งก็ยากเอาไปเอามาน้ำมันไขข้อแห้งเข้าไป <c oughs> ขัดข้อ เท้าขัดข้อหัวเขา่าขัดอะไรท่ออะไรไปเะพุทธะภืเนั่งก็โอยลูกก็โอยอะไรมันนี่นะนี่แล้วตันหามันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหล่านี้วันนี้เมื่อเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางแก้เลยคนผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจ เมื่อความทุกมาถึงเข้าก็มีแต่ร้องครวญครางอยู่เท่านั้นเองไม่ได้มีหน้าตาเบิกบานแจ่มใสไม่สงบกายสงบใจอะไรก็ไม่ได้จะมาทำใจสงบไปได้ยังไงอ่ะแต่เวลาที่ยังมีกำลังดีอยู่ก็ไม่ฝึกไม่ทำเลยไม่นั่งสมาธิภาวนาตาม แนวทางของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหลือแต่นับถือว่าทนนับถือพุทธศาสนาแต่หากไม่ลงมือปฏิบัติตามาศาสนาอันนี้แหละมันไม่มันไม่ถูกต้องถูกก็ถูกเพียงเสี้ยวเดียวหนึ่งมันไม่ถูกหลายธรรมดาว่าคนเรานี่เมื่อนับถือ สิ่งใดแล้วมันก็ต้องดูแลสิ่งนั้นต้องลงมือปฏิบัติขัดเกลารสิ่งนั้นนี่เป็นธรรมดาเนี่ยอย่างว่าเรานับถือผ้านุ่งผ้าหม่มอะไรนี่ว่าเป็นผ้าที่ควรนุ่งควรหม่มอย่างงี้นะก็ต้องดูแลซักพอกทําความสะอาดกับผ้านุ่งผ้าหม่ม โมนี้หรือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในบ้านในเรือนหมนี่เมื่อใช้สอยไปแล้วก็ต้องล้างต้องขัดต้องชำระให้สะอาดเก็บงงาไว้เมื่อต้องการใช้มาก็เอาไปใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเกี่ยวแก่การดูแลรักษาเกี่ยวแก่การลงมือทำปฏิบัติทั้งนั้นเลยตั้งแต่วัตถุภายนอก เราก็ยังปฏิบัติกันอย่างนั้นนะแล้วปทีกายวาใจาใจของตัวเองนี่ไม่ชอบอยากจะปฏิบัติไม่ชอบรักษาดูแลปล่อยไปตามยถากรรมสุดแล้วจากกิเลสตัณหามันจะจูงไปอย่างไรก็ไปตามมันนี่นี่แหละคนเรามันไม่มันไม่มีอุบายสอนใจตัวเอง ไม่มีอบายสอนใจตัวเองเหตุนั้นมันถึงไม่ไม่รู้จักวิธีชำระกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจา ก, กจิตใจของตนได้เพราะมันลืมตนนี่เองเนะี่ยถ้าพูดในหนึ่งนะลืมมากรวดกาดูตนของตนแต่ละวันแต่ละคืนว่ากายวาจาใจของตนนี่มันเบอ้อ บริสุทธิ์อยู่ไหมหรือว่ามันเศร้าหมองด้วยกิเลสบาปประทาอะไรนี่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงเลยพูดง่ายๆว่านอนแช่อยู่กับกองกิเลสตัณหาก็แล้วกันแหละเหมือนอย่างปลามันแช่อยู่ในน้ำนั่นเนี่ยมันไม่รู้สึกหนาวร้อนอะไรใจคนเราก็เหมือนกันนะเมื่อมันชินกับกิเลสตัณหานั่นแล้วเอากิเลสตัณหามันจะ ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่สนใจที่จะกำจัดมันจะล้างมันเหมือนกับปลามันอาศัยอยู่ในน้านั่นแหละมันจะเย็นหรือจะอุ่นยังไงก็แล้วแต่มันก็าอาศัยอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้แหละไม่ทำหนึ่งเลยว่าอัน จิตใจของเรามันเดือดร้อนมันวุ่นวายอย่างนี้เพราะอะไรนี่นะไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาเพ่งพิจารณาดูมันก็เลยไม่รู้อืเมื่อมันมันทําให้เดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเฉยๆอย่างนั้นแหละเมื่อมันบันดาลให้โกรธก็โกรธไปบันดาลให้รักก็รักไปมันบันดาลให้หลงให้เมาให้ล่าเรื่องบันเทิง ก็หลงก็เมาก็ล่าเร่งบันเทิงป้ายตามกระตามเพลงของกิเลสตัณหานั่นเรื่อยเผยไปยังไงนะคนส่วนมากเป็นอย่างนี้เลยเพื่อเสียแต่นะาปลาดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้จักทวนกระแสจิตเข้ามากรวดดูตัวเองเสมอเสมอเมื่อมากรวดดูตัวเองเสมอมันก็รู้ ว่ากิเลสมันหมักดองอยู่ในใจของเรานี่มากน้อยเพียงใดที่เราจะต้องชำระมันนี่ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่ากิเลสที่มันหมักดองอยู่ในใจนี่มันเป็นสิ่งที่ควรชำระไม่เป็นสิ่งที่ควรจะเก็บเอามันไว้สะสมเอามันไว้เพราะมันก่อให้เกิดทุกข์นานาประการ เมื่อมาพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วผู้นั้นแล้วก็จึงได้ผ้าเพลียนพยายามละกิเลสตัณหาอันนี้ไปเรื่อยๆอการละกิเลสตัณหามันก็มีกรรมวิธีไม่ใช่ว่าจะไปละเอาดื้อๆเหลือมันจะขาดไปเล ย, ยนี่ไม่มีทางหรอกเนี่ยนะ่ะมันก็มีกรรมวิธีตามที่พระพุทธเจ้าเนะนําสั่งสอนนี่แหละอืะ เช่นกรรมวิธีให้ละความโลภอย่างนี้นะความโลภนี่ความเห็นแก่ตัวอยากได้ทรัพสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้คนอื่นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงก็ช่างมานี่ก็มาฝึกขัดทำตนฝึกไม่เห็นแก่ตัวมีเมตตากรุณารู้จักเผื่อแผ่แกผู้อื่นบ้างอย่างนี้ เมื่อใจมันเปลี่ยนไปด้วยเมตตากรุณาเข้าไปนี่เห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากก็เอ็นดูคิดอยากช่วยเหลือเช่นนี้แล้วกรจึงสละเงินทองเข้าของนั้นออกไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ความโลภความตนีต่างๆนั้นมันก็บอวางลงนั่นแหละกรรมวิธีกําจัดความโลภความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะ พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่เรานับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็เป็นหน้าที่ของเราผู้นับถือพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งจะต้องสละทรัพย์ออกมาทนุบำลุงพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ยินดีพอใจสละทรัพย์ออกมาถนุบอมลุงวัตราศาสนานี้ตามความประสงค์ก็เป็นเนีตไให้ความโลภความตนีมันเบาบางออกไปจากกิจใจนี่แหละกรรมวิธีที่จะกำจัดความโลภความเห็นแก่ตัวออกไปเอากรรมวิธีที่จะกำจัดความโกรธ ความพยาบาทความหดูดีใจจับตางออกไปนี่มันก็ได้แก่การเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันถ้าว่าใครไม่ทวนกระแสจิตเข้ามานึกถึงเมตตาทำอย่างว่านี่แล้วก็ผู้นั้นก็เป็นคนใจดำแหละไม่ไม่ยอมให้อภัยแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่น ะเมื่อใครมาขวางหน่ะมาทําให้ไม่พอใจก็มีแต่โกรธกับโกรธอย่างเดียวมีแต่คิดจะมุ่งร้ายจะทําลายลงไปเลยไอ้ทางที่จะคิดจะให้อภัยนั้ไม่มีอนี่เรียกว่าคนใจดำํำเป็นอย่างนั้นที น, นี้ถ้าหาว่ามานึกถึงเขาถึงเราเทียบกันว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตของเราเหมือนกัน เขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาแม้เราก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเราแต่นั้นแหละทำไมมาเบียดเบียนกันเล่าหรถ้าไม่อยากให้ตอบโต้ก็อย่ามาเบียดเบียนกันสิคนส่วนมากมันก็เป็นอย่างนั้ น, นี่ยถ้าหากว่ามาพิจารณาดูเหตุผลโดยเหตุผลแล้ว คนเรานี่เมื่อมีกิเลสอะไรหมักดองอยู่ในใจมันยังลาบไม่ได้ถึงเวลากิเลสให้มันคึกขนองขึ้นมามันก็บันดาลให้ประพฤติกายวาจาไปในทางที่ไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งคนอื่นไปบ้างอย่างนี้แหละธรรมดาอันนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนเอาก็มี ระดับความรู้สึกนึกคิดความคิดความเห็นก็เท่าเๆกันไม่มียิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันเหตุนั้นแหละมันถึงไม่ยอมให้อภัยกันนะ่ะวันนี้ผู้มีคุณธรรมสูงกว่าผู้กระทบกระทั่งนั้นอย่างนี้ผู้มีคุณธรรมสูงเช่นนั้นก็ยอมให้อภยัยยกโทษให้แก่ผู้ที่มากระทบกระทั่งตอน อย่างนี้แหละคนเรามันถึงได้ไม่เพนเวีนไม่เพนภัยไม่ผูกขยาบาทจงเวีนซึ่งกันและกันก็เพราะเหตุรอบฝ่ายหนึ่งมีคุณธรรมสูงกว่าแต่ถ้ามีคุณความดีหรือความชั่วเท่าๆกันและไม่ละไม่แหอภัยกันอันนี้แหละมันเป็นเหตุสำคัญนะเพราะฉะนั้น ผู้ใดได้ฟังฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องฝึกใจของตนให้เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเช่นนี้แล้วเมื่อเมตตาธทำกรุณาธรรมนี้มันมีกําลังแก่กล้าขึ้นในใจมากเข้าไปแล้วใจคอก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นเอใครกระทกระทั่งมาเล็กๆน้อยๆเลยจำมากก็ดีน้อยก็ดี ก็ยอมให้อภัยได้เลยแบบนี้อ่านี่แหละอำนาจแห่งเมตตาธรรมครุณาธรรมมันเป็นเครื่องขจัดความโกรธความพยาบามต่างๆออกไปจา ก, ก จ, จิตใจแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถจะถอนรากของความโกรธนี้ออกได้เต็มที่ก่อนหรอกแต่มันทาให้ความโกรธความพยายาทอันนี้เบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนี่ ตอนที่จะถอนรากมันได้ค่ะนุ่นขึ้นอยู่กับปัญญาเนี่ยอือยู่กับปัญญาวิปัสนาญาณ น, นุ่นนะเป็นอย่างงั้นมันต้องเป็นขั้นตอนไปการลากกิเลสไม่ใช่ไปละปุ๊บปั๊บทีเดียวมันขาดบมดทั้งรากทั้งโคนไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องพยายามตัดก้านลานกิ่งมันไปเลยไปอย่างนั้นนะเมื่อเมื่อตัดก้านลานกิ่งมันไปมากๆ ม, ม, มันปรี งอกขึ้นมาไม่ได้แล้วมันมีอยู่เท่าที่มันมีอยู่แล้วนั้นมันก็กำลังมันก็น้อยลงอะอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเจริญสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับแล้วทีนั่นแหละมันถึงมีกำลังสามารถที่จะถอนรากของกิเลสต่างๆออกจากกิจใจนี้ได้ ก็ให้พากันเข้าใจอย่างนี้การทำความเพียรลากกิเลสตัณหาเนี่ยมันต้องเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นนี่พูดถึงสาหรับผู้ที่ประมาทมานนี่เมื่อทำความเพียรไปลากกิเลสไปแต่ตอนต้นนี้คำมักคำไม่เห็นไปกิเลสก็รู้สึกว่าเบาบางไปทันพอไปถึงตอนกลางก็เกิดความประมาทขึ้นมา ละเลยเสียไม่เอาใจใส่แบบนี้นะไม่สำรวมตนปล่อยให้จิตใจเพลินไปมเมาไปแล้วก็เอาแลกวับบนนี้กิเลสมันก็ลุกขึ้นครอบงามใจเหมือนเดิมอีกก็ได้รับความเศร้ามองใจเดือดร้อนใจไปแล้วก็กลับไปทำชั่วเหมือนเดิม <c oughs> มีอยู่มีอยู่มากมายนะแบบนี้เนะี่อ คนทําความดีมาแล้วไปไปแล้วเกิดไปสมาคมกับคนชั่วเขา้าคนชั่วกับชักจูงไปในทางชั่วกับทิ้งความดีของตนไปหมดอ่อย่างนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้หยิบยกมาตักเตือนผู้ฟังทั้งหลายในทีน่นี้ขออย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ากลัวจะมีศรัทธาได้มาปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญกุศลนี่ไม่ไม่ใช่ง่ายนะัก แสนยากแสนลำบากนาะคิดดูให้ดีแต่นั้นเมื่อเราได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในชิดใจได้แล้วอย่างนี้ก็พยายามรักษาบุญกุศลนันไปเรื่อยๆอย่าให้มันเสื่อมทำความพอใจในบุญกุศลนั้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเลยอย่าไปพอใจกับสิ่งอื่นให้พอใจกับบุญกุศลกับความดีที่เราทา การพอใจกับสิ่งอื่นนั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์ต้องเตือนตอนอย่างนี้เสมอไปอา้าวเช่นจะไม่ให้พอใจในเงินทองในข้าวของอในลาบยศอะไรต่างๆหัวนั้นเหลอถ้าไม่พอใจกับเงินทองแล้วก็ไม่ต้องหาเงินหาทองกันการที่บุคคลหาเงินหาทองกันอยู่นี่ก็เพราะความอยากได้ความพอใจในเงินทอง อย่างนั้นไม่ใช่เหรือนี่บางคนก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ได้ไอ้เรื่องอย่างนี้นี่มันต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วยอไม่ใช่ว่าอาศัยแต่ความพอใจอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อขาดปัญญาแล้วมันก็ไปหน้าเดียวก็ไม่รอบครอบฮะดันะนั้นต้องมีอุบายปัญญาประกอบด้วย เมื่อเห็นว่าบุญกุศลมีคุณค่าต่อชีวิตของเราหาประมาณไม่ได้เช่นนี้แล้วเราก็จะต้องรักษาบุญกุศลทำความพอใจในบุญกุศลนั่นไว้ให้มากในวันนี้การทำมาหาเรื่องชีพหางเงินหาทองอย่างนี้ก็เราหาด้วยปัญญามาโดยทางบริสุทธิ์ได้มาโดยทางสุจริต เมื่อได้เงินได้ทองเข้ามาแล้วแล้วก็แบ่งไว้ใช้สอยส่วนตัวบ้างครอบครัวบ้างแล้วก็แบ่งทาบุญให้ทานบบัารลงพระพุทธศาสนาบ้างเสียภาษีอากรแก่หลวงบ้างทำบุญอุทิศฐาแกเฟตญาตที่ล่วงลับไปสู่โลกเบืงหน้าบ้างในการหาเงินหาทองเมื่อได้มาแล้ว รู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้ใจให้มันถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นนี้นี่มันก็เงินทองเหล่านี้ก็เป็นบอกเกิดแห่งบุญกุศลทั้งนั้นเลยบ้านี้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตนี่คนเราขอให้ใจนั่นมันดีซะอย่างเดียวแล้วไอ้สิ่งเดิมมันก็ดีไปตามกันหมดมีเงินก็ใช้เงนเินให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้ ถ้าใจไม่ดีซะอย่างเดียวแล้วมีอะไรก็ไม่ดีหมดเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองทั้งนั้นเลยเ อ, าลอ้าวโกรธใครมาเนี่ยจ้างมือพื้นไปฆ่าคนนั้นเสียนี่เมื่อเมือม่อเมือม่อไม่มีปัญญาไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทองให้เป็นประโยชน์ใช้ไปตามหน้าของกิเลสมันก็เลยได้เงินทองแล้วก็ทําพิษให้แก่ตัวเองตัวเองก็ได้รับบาปกำเมวรภัไยไปในสงสาร อ, อย่างนี้แหละยกตัวอย่างให้ฟังบุคคลผู้ขาดสติขาดปัญญาไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทองเข้าของแล้วมันก็มีแต่ทุกแต่โทษทีนี้ถ้ามีปัญญารู้จักใช้รู้จักจ่ายจ่ายไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นสิ่งใดมันจะนามาซึ่งโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นแล้วไม่จ่ายเลยเช่นนี้แล้วเงินทองนั้นมันก็เป็นประโยชน์ แก่ตนและผู้อื่นเรื่อยไปไม่มีโทษเลยเหมือนอย่างพระโสดาบันตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าโน้นะท่านผู้ครองเรือนอยู่ทั้งหลายจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างนางวิสาขาอย่างนี้อนาถาวินดิกะมหาเศรษฐีเป็นต้นเหล่านี้นะท่านเหล่านี้ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุสโสดาบันนะแต่ไม่ได้ออกบวช อยู่ครองเรือนแล้วก็เรียกว่าเป็นขั้นเศรษฐีท่านเหล่านั้นได้ใช้จ่ายเงินทองอันนั้นไปให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยอ่แล้วไม่ใช่ไม่หาเงินนะเพราะโสะดาบันก็หาเงินอยู่เหมือนกันทําการค้าการขายอยู่เหมือนกันทนํานาทําสวนอยู่เหมือนกันสําหรับชาวนาก็ดีเอผู้เป็นกรรมกรก็เป็นกรรมกรไปตาม หน้าที่ของตนแต่ไม่ยอมทำความชั่วนี่พระโสดาบันแม้จะอยู่ในฐานะยากจนขนแค้นอย่างไรก็ไม่ยอมทำความชั่วเพราะว่าท่านเห็นแจ้งแล้วในเรื่องบาปบุญกุณญโทษในพระโสดาบันเห็นโทษของบาปเห่งโทษแห่งความชั่วต่างๆแล้วดังนั้นถ้ารู้รว่าสิ่งใดเป็นความชั่วแล้วไม่ทำเลย ถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์นชนตนและผู้อื่นแล้วพอใจทำเต็มที่เลยเอา้าเช่นอย่างว่าทำนานี่ยเมื่อเราทำโดยสุดจริตจริงๆระมัดระวงังไปจริงๆทำนามันก็เป็นประโยชน์ได้ข้าวมาแล้วก็กินบ้างทานบ้างหมบอดลุงวัดวาศาสนาถ้าไม่มีข้าวอย่างนี้ล่ะใครจะไปอยู่ได้ในโลกนี้นี่ เมื่อเมื่อพระโสดาบันเนี่ยเมื่อมีปัญญาอย่างนี้ทำนาก็ไม่เป็นโทษเป็นแต่ประโยชน์ทำสวนก็ไม่เป็นโทษทำการค้าการขายอะไรก็ไม่เป็นโทษเพราะว่าเป็นผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นตัดมูลเหตุแห่งบาปออกจา ก, กจิตใจไปหมดแล้วมูลเหตุแห่งบาปให้คนเราได้ทำบาปคืออะไรคือความโลภ ความโกรธความหลงสามอย่างนี่แหละมีพระโสดาบันท่านตัดกิเลสสามกองนี่ขาดออกไปแล้วคือว่ากิเลสที่ที่จะให้ไปทําบาสมีค่าสาัตว์เป็นต้นนี้นะความโลภโกรธหลงสามกองเนี่ย แ, แต่ว่าไออย่างละเอียดเนี่มันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มันไม่บันดาลให้ไปทําบาปได้ในส่วนที่มันบันดาลให้ทําบาปได้นี่ มันหมายเอาความโลภโกรธหลงอย่างหยาบความโลภโกรธหลงอย่างหยาบนี่เองเนี่ยมันทําให้คนเราไปทําบาปกรรมนั่นนะวันนี้พระโสดาบันนั้นท่านตัดรากมันขาดออกไปแล้วรากเง่าที่จะให้ทําบาปนี่นะะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงยินดีในการบริจาคทานไม่หยุดยั้งเลยมีน้อยก็ให้ตามน้อยมีมากก็ให้ตามมากไป แล้วยินดีรักษาสินห้าสินอุโบสถถ้าเป็นทายกษ า, ย, า ย, ยิกาก็ดีไม่ละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้ยินดีฟังธรรมพอใจในธรรมไม่เบื่อหน่ายทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเพียรบวยพระภาวนาสํารวมจิตใจของตนให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพรรัฒนไกลรักษาบุญกุศลความดีของตนไม่เสื่อม นี่คุณสมบัติของพระโสดาบันแล้วก็ไม่ไม่ไปนับถือรัฐีอื่นศาสนาอื่นเพราะว่ามองไม่เห็นเลยว่ารัฐีอื่นนั่นจะเป็นแนวทางพ้นทุก์ได้ไม่มีพระโสดาบันย่อมมองเห็นแต่คําสอนผู้เจ้าเท่านี้่อจะเป็นนิยานี้กลับทำนาผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกไปได้พวกเราทั้งหลายล่ะเป็นยังไงเห็นตามพระโสดาบันไหม น่าเป็นหน้าที่ของผู้ฟังทั้งหลายจะพึงน้อมเข้าไปพินิดพิจารณาให้รู้ให้เห็นแจ้งพระจากด้วยตนเองว่าพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี้นะดังที่บรรยายฟังมานี่นะพอที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติขัดเกลากีเลหอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เบาบางหมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจของตนได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังทั้งหลาย จะพึ่งน้อมเข้าไปพิจนารณาและลงมือปฏิบัติตามสำหรับผู้พูดนี่เรียกว่าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมาแสดงแนะนวทางให้ผู้ฟังได้ฟังเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะไปกาจัดกิเลสออกจากจิตใจของผู้ฟังทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปได้อย่างนั้นไม่มีทามันเป็นไปไม่ได้ กีเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วทั้งหลายมันจะหมดไปจากกิจใจของผู้ใดได้ผู้นั้นต้องละเองต้องมีความเพียรเองภาเพียรพยายามละด้วยตนเอง อ, อย่างนี้แหละมันกิเลสตัณหาหรือทุกข์ทางกายทางใจจึงจะเบาบางไปหมดไปสิ้นไปดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้